Book 2 <31 S> 3สามสิบอดที่ร้านอาหารสาอรดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะเอกวกฟ ดิฉันอยากได้สลัดค่ะคอคว์กรอกสลอยดิฉันอยากได้ซุปค่ะคอคว o กรอกซูเ ป, ปดิฉันอยากได้ของหวานค่ะค อ, อีดิฉันอยากได้ไอิครีมใส่วิปครีมค่ะคอค รัม้เม็ดสล็อกร o m วไดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะอคว r กโรช r ร c กต์หรือ a a ลซีเราต้องการทานอาหารเช้ า, า อ, าานอาาุนซุกโรชขุนไบเเราต้องการทานอาหารกลางวัน อ, นอาาุน c h กโรชมิรักย์ เราต้องการทานอาหารเย็นอาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะขนมปังกับแยมและน้ำพึ่งไหมคะ in in ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ r o o s t ต r b r o o d met w o ิทวอ n kaas กไข่ลวกไหมคะเกี๊กคุกเตอเยิร์ไข่ดาวไหมคะเกี๊กไบ r เดอเยิร์ดออมเล็ไหมคะออมเ e ลิตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะอ ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะนก s o u t and pepper as a brief ขอน้าเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะนก glass water as a ie brief